ไตรปิฎกภาษาไทยจฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่สามสิบห้าพระอภิธรรมมปิฎกเล่มที่สองวิพังพระอภิธรรมปิฎก 2, วิพังพ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งขันธวิพังหนึ่งสุตันตภาชณีขันห้าคือหนึ่งรูปขันธ์กองรูปสองเวทนาขันธ์กองเวทนาสาสัญญาขันธ์กองสัญญาสสังขารขันธ์กองสังขารหวิญญาณขันธ์กองวิญญาณ หนึ่งรูปขันบรรดาขันห้านั้นรูปขันเป็นชนัยรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในตนรูปที่เป็นภายนอกตนรูปหยาบรูปละเอียดรูปชั้นต่ำรูปชั้นประณนี่รูปไกลหรือรูปใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่ารูปขัน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 รูปที่เป็นปัจจุบันเป็นไนรูปใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบางเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในตนเป็นไน รูปใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอรันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูาตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายในตนรูปที่เป็นภายนอกตนเป็นไนรูปใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตน เกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่ยกรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายนอกตนรูปหยาบเป็นไนะจากขาัตนะละถึงโพธพายัตนะนี้เรียกว่ารูปหยาบรูปละเอียดเป็นไนะอิทินสี่ละถึงกรวลิงกราหาน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 รูปชั้นปราณีตเป็นไนรูปใดของสัตว์นั้นๆที่ไม่น่าดูหมิ่นไม่น่าเยียดยามไม่น่าเกลียดไม่น่าตาหนิน่ายกย่องเป็นชั้นปราณีตรู้กันว่าเป็นชั้นปราณีตสมมติกันว่าเป็นชั้นปราณีตน่าปรารถนาน่ารักน่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนี้เรียกว่ารูปชั้นปราณีต พึงทราบรูปชั้นต่ำรูปชั้นปราณีตโดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆเป็นชั้นๆไปรูปไกลเป็นไนอิถินสีละถึงกาวลีงกะราหานหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ในที่ไม่ใกล้ในที่ไม่ใกล้ชิดในที่ไกลในที่ไม่ใกล้นี้เรียกว่ารูปไกลรูปใกล้เป็นไนจักขายาตนะละถึงโพธพายาตนะ หรือรูปแม่อื่นมีอยู่ในที่ใกล้ในที่ใกล้ชิดในที่ไม่ไกลในที่ใกล้นี้เรียกว่ารูปใกล้พึงทราบรูปไกลรูปใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆเป็นชั้นๆไป เวทนาขันบรรดาขันห้านั้นเวทนาขันเป็นไนเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นภายในตนเวทนาที่เป็นภายนอกตนเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นปราณีตเวทนาไกลหรือเวทนาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน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 นี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นภายในตนเป็นไนเวทนาใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นภายในตน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 เวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นกุศลและอพยกฤตเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นอพยกฤตเป็นเวทนาละเอียดทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบสุขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียดสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบ อทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียดเวทนาของผู War, então, ้ไม่เข so, uh, ้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาละเอียดพึงจ้าเวทนาหยาบเวทนาละเอียดโดยอาศัยเทียบเพียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไป เวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประนีตเป็นไนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นกุศลและอภยกฤตเป็นเวทนาชั้นประนีตเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นอพยกฤตเป็นเวทนาชั้นประนีตทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำสุขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำอทุกขคมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาชั้นประนีเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นประณีพึงจ่าเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประนี โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไปเวทนาไกลเป็นไนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยกฤิเวทนาที่เป็นกุศลและอัภยกฤิเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยกฤิเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤิ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 สุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนาสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนาเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติ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 พึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล้กลโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานนั้นเป็นชั้นชั้นไปสสัญญาขันบรรดาขันห้านั้นสัญญาขันเป็นไนะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาที่เป็นปัจจุบันสัญญาที่เป็นภายในตนสัญญาที่เป็นภายนอกตนสัญญาหยาบสัญญาละเอียดสัญญาชั้นต่ําสัญญาชั้นประณี่สัญญาไกลหรือสัญญาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าสัญญาขันในสัญญาขันนั้นสัญญาที่เป็นอดีตเป็นไนสัญญาใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้ว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 สัญญาที่เป็นภายในตนเป็นไนสัญญาใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักผูสัมผัสและถึงสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายในตนสัญญาที่เป็นภายนอกตนเป็นไน สัญญาใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสและถึงสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายนอกตนสัญญาหยาบสัญญาละเอียดเป็นไงสัญญาที่เกิดแต่ปฏิฆะสัมผัส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 สัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียดสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นสัญญาหยาบสัญญาของผู้เข้าสมาบัตเป็นสัญญาละเอียด สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นสัญญาละเอียดพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไปสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประนีเป็นไนสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นกุศลและอภยยากฤตเป็นสัญญาชั้นประณี สัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นอภิยากฤตเป็นสัญญาชั้นประณีสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาชั้นประณีสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา เป็นสัญญาชั้นปราณีตสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นปราณีตสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นปราณีตพึงทราบสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นปราณีตโดยอาศัยเทียบเพียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไปสัญญาไกลเป็นไน สัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอภพยกริษสัญญาที่เป็นกุศลและอภัยกฤะษเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศลสัญญาที่เป็นกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศลและอััยกฤษสัญญาที่เป็นอกุศลและอัพยกริษเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นอััยกฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศล สัญญาที pues ่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอพยกฤิสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา เป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่ส <in boarding y pet> ัมปยุทธ <liberties S 2> ์ด <aunt> ้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา เป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้าสมาบัติสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าสัญญาใกล้สัญญาใกล้เป็นไนสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอกุศลสัญญาที่เป็นกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นอพยปริตเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอพยากฤตสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญ า, าของผู้ไม่เข้าสมาบัติสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้เข้าสมาบัติสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 สังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียดสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียดสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารหยาบสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารละเอียดสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารหยาบ สังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารละเอียดพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียดโดยอาศัยเทียบเพียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไปสังขารชั้นต่ำสังขารชั้นประณีเป็นไนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่เป็นกุศลและอภยยากลิตเป็นสังขารชั้นปราณีสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารชั้นปราณีตสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารชั้นปราณีตสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารชั้นปราณีตสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นปราณีสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นปราณีพึงทราบสังขารชั้นต่ำสังขารชั้นปราณีโดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไปสังขารไกลเป็นไนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและพยากฤต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 เป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอภยญากฤิตสังขารที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัสขงขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนา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 วิญญาณที่เป็นภายในตนเป็นไนวิญญาณใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่จกักรวิญญาณและถึงมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนเป็นไนวิญญาณใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆ ที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลเทศกรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่จะขูวิญญาณและถึงมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นภายนอกตนวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดเป็นไนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นกุศลและอพยกฤตเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นอภยากฤิเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขลมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขลมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียด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 วิญญาณที่เป็นกุศลและอัภยการิตเป็นวิญญาณชั้นปราณีตวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่เป็นอัพยการิตเป็นวิญญาณชั้นปรณีตวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นปรณีตวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกกรมสกเวทนาเป็นวิญญาณชั้นปราณีตวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณของผู้เข้าสมาบัตเป็นวิญญาณชั้นปราณีตวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นวิญญาณชั้นปราณีตพึงทราบวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นปราณีตโดยอาศัยเทียบเพียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไป วิญญาณไกลเป็นฉนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพญากฤตวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพญากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตวิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพญากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลวิญญาณที่เป็นอัพญากฤต เป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา เป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณที่ไกลจากวิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา เป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าวิญญาณไกลวิญญาณใกล้เป็นไนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นกุศลวิญญาณที่เป็นอัพญากฤตเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอัพญากฤตวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา